เมื่อวันศืนก็ได้ไปร่วม ง, งานเปิดสวนโมกกรุงเทพอันนี้เป็นชื่อไม่เป็นทางการถ้าชื่อทางการคือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโยแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าห อ, อสวนโมกกรุงเทพสวนโมกนี้พวกเราก็คงทราบดีว่า สร้างขึ้นที่ชัย yasutra าธานีเมื่อเกือบ0ปดสิปีที่แล้วอีกสองปีก็ครบ80ดสนะ่านอาจาพุทธทาสได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรมแล้วก็มี อาศัยสื่อหลายอย่างที่พาคนให้เข้าถึงธรรมะเช่นธรรมชาติลมหายใจธรรมชาติภายนอกเช่นต้นไม้ก้อนหินพื้นดินอันนี้ก็เป็นสื่อสอนธรรมะได้อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให ใครไปเที่ยวสวนโม ก, ก็ให้ฟังให้หัดฟังเสียงต้นไม้พูดหัดฟังก้อนหินแสดงธรรมะลมหายใจของเราก็สามารถจะพาเราให้พบกับความจริงของชีวิตคือรู้จักสัจธรรมก็ได้เหมือนกันอนาปานสติภาวนาเป็น วิธีการที่สอนที่สนโมค น, น, นอกจากนั้นก็มีพวกเรียกว่าสื่อเช่นมหรลสบททางวิญญาณโรงมหรลสบททางวิญญาณทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสนโมกแต่ว่าหัวใจก็คือท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านจาพุทธาสก็มรณภาพไปได้17ปีแล้วแต่ท่านก็บอกว่าพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายาที่ตายไปหรือผู้ทีถูกต้องก็คือที่สลายไปก็คือร่างกายนะยาวานาคืบกว้างศอกอันนั้นเป็นเป็นแค่ ก้อนสังขารที่เป็นรูปแต่ว่าธรรมะที่ท่านสอนหรือว่าที่ท่านแสดงเพื่อให้เราเข้าถึงพุทธธรรมก็ยังมีอยู่แล้วก็จะอยู่ไปตราบใดที่ยังมีคนศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เลย ในกาศครบร้อยปีหนึ่งศตวรรษแห่งชาติกายของท่านอาจาร์พุทธทาส <c oughs> ก็เลยมีโครงการสร้างสวนโมรกรุงเทพขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพ่ธรรมให้กว้างขวางตรงสวนจตุจักรสวนรถไฟซึ่งพวกเราคงทราบดีก็เป็นที่ที่คนไปจับจ่าย ซื้อของซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปนเปรื้ในเรื่องกายอาจจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายบ้างแต่เรื่องของจิตใจไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างเหมือนกันก็คือตรงสวนรถไฟนี่ก็เป็นที่ที่น่าพักผ่อนได้เห็นสีเขียว กลางกรุงก็มีความสบายใจได้พักผ่อนจิตใจแต่ว่าที่จะเป็นแหล่งให้เข้าใจธรรมะเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจมันไม่ค่อยมีก็พอมีส่วนโมกกรุงเทพขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะ เผยแผ่ทำให้กว้างขวางงานเมื่อวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเขามีไม่ใช่แค่งานเปิดตัวอย่างเดียวเปิดตัวหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินท ป, ปัญโญอย่างเดียวแต่ว่าเขาใช้ชื่องานว่าร่วมคืนพื้นที่บุญในสังคมไทยนะชื่อมันคล้ายๆ้นะ ขอคืนพื้นที่นะแล้วก็มีหนังสือเรื่องขอคืนพื้นที่ทำเขาก็เลยขอยืมเอาชื่อนี้ไปเพื่อไปอชักชวนคนให้ตระหนักว่าการมาร่วมงานนี้ไม่ใช่แค่มาเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างเดียวถ้าทำแค่นั้นไม่พอจะต้องทำมากกว่านั้นก็คือว่าช่วยกัน เอาพื้นที่บุญกลับคืนมากลับคืนมาจากอะไรนะกลับคืนมาจากจากกรรมจากบาปหรือว่าถ้าพูดให้มันคลุมหน่อยก็คือจากอำนาจทุนนะอำนาจทุนในที่ไี้หมายถึงว่าการถือเอาเงิน เอาเงินเอาทองเป็นใหญ่การถือเอาความสุขทางวัตถุเป็นใหญ่การถือเอากำไรเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วประเทศบริพนยมวัตถุนิยมซึ่งมันไม่เคยมีในเมืองไทยสมัยก่อนเมืองไทยต้องเรียกว่า พื้นที่บุญนี่กระจายไปทั่วนะถ้าไม่นับเอาพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะที่เป็นหมู่บ้านชุมชนนี่ก็ล้วนแต่เป็นพื้นที่บุญพื้นที่บุญกระจายกระจายแพร่ขยายไปในทุกกิจกรรมของชีวิตแผ่ขยายกระจายไปทุกปริมณฑลของสังคมหมายความว่ายังไงหมายคราบว่า ทุกกิจกรรมของชีวิตเช่นการตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับถึงเข้านอนไม่ว่าจะเป็นการทำครัวการทำมาหากินการทำไร่ทำนาการปลูกต้นไม้หรือว่าการค้าการขายคนสมัยก่อนก็ถือว่ามันเป็นเรื่องบุญด้วยเป็นเรื่องบุญ ทุกอย่างนี่แทบจะทุกอย่างเลยเป็นการทำบุญสมัยนี้การทำบุญเนี่ยมันมันหดแคบลงหรือพูดง่ายๆคือพื้นที่บุญมันหดแคบลงหดแคบลงจงเหนือจนเลยเพียงแค่ว่าเวลาไปวัดเนี่ยถึงทาบุญถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำบุญบางทีทำบาปด้ซ้ำนะ มาค้าขายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญแต่เป็นเรื่องการเอากําไรแม้แต่การคบค้ากันก็เอากําไรเป็นที่ตั้งคือว่าหวังประโยชน์ส่วนตัวนะจะแต่งงานกับใครก็ต้องดูว่าจะได้กําไรเท่าไหรนะ่เราจะเสียเปรียบเก็ไม่จะไปเรียนหนังสือก็ต้องดูว่าเออเรียนแล้วมันจะรวยไหมนะ ทำงานก็เลือกว่าจะทำงานอะไรที่ทำให้รวยเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่บุญมันหดแคบนะจนเหลือแค่ว่าเวลาไปทำบุญเข้าเวลาไปเข้าวัดถึงค่อยมาทำบุญกันออกนอกวัดก็ไม่ค่อยได้ทำบุญลวถ้าไม่ทำบาปก็เป็นแต่เรื่องของการทำมาหากินหาประโยชน์ส่วนตัวคนสมัยก่อนนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่า ทุกอย่างจะทำแล้วก็ตามค้นนึกถึงบุญตลอดเวลาเช่นการ ท, รทาําไร่ทํานาถ้าอาจากยพุทธทาท์เล่าว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยแม่ให้ไปเฝ้านาแม่ก็จะให้คาถากันขโมยนะคาถากันขโมยมันมีคนขโมยข้าวถ้าทำไงถึงจะกันขโมยได้ก็ให้คาถา คาถานี้เป็นภาษาไทยฟังง่ายสั้นๆนะนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานให้ท่องเอาไว้นะให้ให้อาจารย์พุทธทาสตอนเป็นเด็กๆใช้เงื่นท่องเอาไว้นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเมื่อคิดเช่นนี้เมื่อมองแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นขโมยนกมากินก็ถือว่าทําบุญไปใครเอาใครมากินก็ถือว่าให้ทานไปแล้วก็ถือว่า การทำไร้ทำนานี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งทำบุญให้นกทำบุญให้หนูไปนะได้ข้าวมาแล้วถามว่าทำอะไรเอาข้าวไปทำอะไรอาจารย์พุทธทาสเคยเล่า ว, ว่าเวลาไปบิณฑบาตเคยถามชาวบ้านว่าเนี่ยทนานาเนี่ยทาไปทาไมอย่างได้ที่เขาตอบคือว่าเพื่อจะได้มีข้าวมาทำบุญนะ เขาไม่บอกว่าทานาเพื่อได้เอาไปขายจะได้รวยเร็วๆหรือว่าเพื่อจะได้ทำมาหากินนะเพื่อได้ประทังชีวิตเขาไม่ได้พูดแม้แต่จะทำทำนาเพื่อประทังชีวิตเขาก็ยังไม่ได้นึกถึงเป็นอย่างแรกเขาทำนาเพื่อได้มีข้ามาทำบุญมีข้ามาใส่บาตรนี่คือความคิดของชาวบ้านสมัยก่อนคือเขาคิดเรื่องบุญเป็นอย่างแรกแม้แต่ทานา ปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันนะแม้แต่ปลูกต้นไม้ทําสวนที่เมืองเพชรนี่เขามีคาถากรบดินมีบาลีนะพุทธังภาลาผลแล้วก็แปลนะพุทธังภลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานทำมังพาลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานสังคังภาลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานสั้นๆจบละนะอันนี้คือคาถากรบดินเพื่อให้ ต้นไม้เจริญ ง, งอกงามงอกงามเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อประโยชน์คนปลูกแต่เพื่อให้นกได้มาเกาะให้นกได้มากินให้คนได้มาใช้สอยอันนีเ้เรียกว่าแม้แต่ปลูกต้นไม้เขาก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทําบุญนี่ต้องทํากับพระไม่ใช่ว่าทําบุญนี่ต้องมาใส่บาตถวายสังฆทานปลูกต้นไม้ทํานาก็เป็นการทําบุญ อยู่ในบ้านทำอาหารเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสทำบุญเหมือนกันคือเวลาทำอาหารทำครัวนี่เขาไม่ได้คิดแต่ว่าเออมาเลี้ยงคนในบ้านแต่ยังคิดถึงเพื่อนบ้านด้วยหลวงพ่อปัญญาได้เคยเล่าว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยชอบวิ่งเล่นชอบสนุกสนานแต่สมานบอว่าท่านเบื่ออย่างหนึง่ง ก็คือเบื่อเวลาพ่อแม่นี่ให้เอาอาหารไปแจกเพื่อนบ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านเนี่ยเวลาได้เนื้อมาก้อนหนึ่งก็จะก็จะตั้งก็จะตั้งหม้อทําแกงทําเสร็จก็ไปตักแจกให้เพื่อนบ้านได้ผลไม้ได้ปลามาเข่งหนึ่งได้ปลามากองหนึ่งก็แบ่งออกมาเป็นกองย่อยๆแล้วก็บอกเอาปันปันมา เอาไปแจกเพื่อนบ้านหน่อยเด็กชายปานนี้อยากจะเล่นถูกแม่เรียกเป็นประจำใหเอาของไปให้เพื่อนบ้านก็เลยบอกเบื่อแต่ว่านั่นเป็นความรู้สึก ข, ข, ของเด็กๆพอโตขึ้นน่าก็ชื่นชมว่าโยมพ่อยมแม่เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่บุญมากแล้วก็ทําครัวก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงแค่ลูกเมีย หรืลูกหลานแต่ว่าคิดถึงเพื่อนบ้านเพราะถือว่านี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นความเป็นทัศนคติที่มีไปทั่วที่ภาคเหนือก็เหมือนกันเนะจ้าคุณโพธิลังศรีท่านมรณภาพแล้วท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แถ้าเราตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยที่บ้านเนี่ยทำแค่อาหารอย่างเดียวจะทําเยอะๆนะทําแค่อย่างเดียวจะทาเยอะ แต่เวลามีกินเวลากินนี่มีกินได้กินหลายอย่างกับข้าวที่เหลือมาจากไหนก็มาจากบ้านโน้นบ้านนี่เขาแบ่งมาให้เขาปันมาให้ฉนั้นแต่และบ้านนี่แค่ทําแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีกินเยอะแยะนะถ้าคนชาว บ, บ้านสมัยก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้มีน้ําใจกับเฉพาะเพื่อนบ้านคนแปลกหน้าเขาก็มีน้ําใจมี อาจารย์คนหนึ่งเขาเล่าตอนเกาเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยแม่เนี่ยค่ำค่ดึกๆแล้วก็ยังตำข้าวสมัยก่อนเขาำข้าวด้วยครกกระเดื่องตำข้าวพวกเราเคยเห็นไหมตามาอังทันเห็นในชนบทตำข้าวด้วยครกกระเดื่องตำไปทำไมถามแม่ตำไปทำไมเ็บอกว่าที่บ้านอาจจะมีคนแปลกหน้ามาถ้าเขามาดึกดึกเดนๆก็จะได้มีข้าวให้เขากิน นี่น้ําใจเขากว้างขวางนะคนแต่งหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้ามาแล้วได้กินเด็กชายลูกก็ถามต่อไปว่าแล้วแม่ไม่กลัวเขาป้นเหรอเขามาที่บ้านให้ข้าวกินให้ที่พักเนี่ยไม่กลัวเขาป้นเลยแม่บอกไม่กลัวหรอกเพราะว่าคนที่กินข้าวเขาไม่เขาไม่ป้นบ้านหรอกเขากินบ้านใครเขาไม่ป้นบ้านนั้นหรอก อันนี้ว่ใจกล้าเวลาการทำบุญมันต้องกล้านะกล้าทำดีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าทาดีเท่าไหร่กลัวกลัวถูกหลอกเช่นขับรถมามีคนโบกข้างทางก็ไม่กล้ารับบางทีคนถูกรถชนนอนอยู่กลางถนนก็ไม่กล้าเดี๋ยวกลัวโดดแกล้ง แต่ที่กล้าคือกล้าทําชั่วกลัวทําดีสมัยนี้เป็นอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเขากล้าทําดีก็หนีความชั่วฉะนั้ น, นการทําบุญเนี่ยมันก็เลยเป็นวิถีชีวิตของเขาเมื่อกี้บอกว่าการทําบุญที่มันกระจายไปทั่วทุกกิจกรรมในในชีวิตแล้วก็ในทุกปริมณฑลของสังคมก็หมายความว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าที่บ้าน ในวันในไรนาไม่วันในห้องครัวนะในวันในร้านค้ามันก็มีมีอนิสงส์มีบรรยากาศของบุญเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วไม่ใช่บุญนี้เฉพาะจะอยู่แต่ในวัดหรืออยู่ในห้องพระไม่ใชนะ่ออกจากห้องพระมาก็กเอาเอาเปรียบชาวบ้าน นะคิดแต่กำไรหรือถึงแม่ไม่เอาเปลี่ยก็คิดแต่กำไรนะคิดแต่ว่าฉันจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าความคิดเรื่องวัตถุนิยมเรื่องทุนนิยมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วพื้นที่บุญก็เลยหายไปหรื่อว่าค่อยๆหดหายไปพืป้นที่บุญหดหายไปจากชีวิตของผู้คนหดหายไปจากสังคมแลนะผู้สมัยมายคือมันถูกกระชับพื้นที่ไปแล้ว เดี๋ยวนี้พื้นที่บุญถูกกระชับนะมีการกระชับพื้นที่บุญให้แคบลงแคบลงแล้วที่เหลือคืออะไรก็พื้นทีน่ทุนพื้นทีน่ทุนคือทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะไม่ได้เพื่อคนอื่นละไม่ได้เพื่อน้ำใจแต่เพื่อว่าจะได้รวย พื้นที่ทุนนี่มันกระจายไปแม้กระทั่งในวัดนะในวัดนี้ก็ถูกพื้นถูกก็กลายเป็นพื้นที่ทุนเป็นลนะเป็นที่ขายวัตถุมงคลเป็นที่เป็นพุทธภา น, นิช์บางทีเป็นที่ขายเล่าก็มีทนะีบางที้แ ห, ห่งก็จัดงานสารพัดจัดงานตลอดปีเพื่อจะได้เอาเงินมานะวัดจะได้มีเงินเยอะๆ เ, นะเรื่องการสงเคราะห์ผู้คนสงเคราะห์คนยากไร้ มันไม่มีแล้วไม่แต่สงเคราะห์ญาติโยมก็ไม่มีแล้วเพราะว่าวัดจเจ้าแต่งเงินเมื่อวานก็มีคนมาอยฟังลูกน้องไปบวชนะทำพิธีบวชพออุปชาก็พร้อมนะแต่ยังไม่ทันทำพิธีเลยอุปชาก็ถามซองแล้วเอาซองไหนซองยังไม่ทันจะบวชเลยนะอุปชาถามซองแล้ว เราต้องดูว่าในซองมีเท่าไหร่ด้วยไม่ใช่ซองเปล่าอีกที่หนึ่งก็บอกว่าไปถวายสังฆทานนะซื้อถุงซื้อถัอองสังฆทานทั้ง 7-8 0ดนะ้อยเป็นวันเกิดซื้ออย่างดีนะไม่ได้ซื้ อ, อาตามตามร้านทั่วไปแบบเพ่ว่าซื้อแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเยอะแต่นี่เขาตั้งใจซื้อไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อถามหลวงพ่อรับเสือก็ถามไว้แล้วซองล อันนี้นีเห็นได้ไหมว่ามันพื้นทุนเนี่ยทุนหรือเรื่องเงินเรื่องทองมันกระจายไปขยายไปแม้กระทั่งในวัดนะในวัดนี่หนีไม่พ้นละมันไม่ใช่พื้นที่บุญต่อไปมันกลายเป็นพื้นที่ทุนญาติโยมก็มาวัดก็เพื่อหวังจะเอาอะไรไม่ได้หวังเอาบุญนะหวังเอาเอาลาบที่มาทำบุญก็เพราะหวังจะได้ลาบลการทำบุญนีเวลานีกายเปนการลงทุนแบบหนึ่งของชาวบ้าน ชาวบ้านเวลาทำบุญเขานึกอะไรอยู่ในใจเขานึกว่าทำแล้วเขาจะรวยทำแล้วขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะบริจาคร้อยหรือทำบุญร้อยก็หวังจะได้ล้านนะนี่คือการลงทุนมันไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้รับไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของตัวเองอันนี้แตมาเรียกว่าพื้นที่ทุนมัน กระจายไปแม้กระทั่งในในการทำบุญของชาวพุทธเรามันไม่มีตรงไหนแล้วที่ไม่มีเรื่องทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ระหว่างพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ลูกก็ต้องควรจะสัมพันธ์กันด้วยความรักแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ลูกก็อยากได้วัตถุได้เงินจากแม่ แ, แม่ก็ บางทีก็เรียกร้องอวัตถุเงินทองจากลูกผัวกับเมียก็เช่นเดียวกันอันนี้เราพื้นที่ทุนมันกระจายไปแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือว่าในครอบครัวไม่มอพูดถึงเรื่องการค้าการขายมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นนแปลมาเนี่ในเมืองไทยเวลานี้เนี่ยก็พบว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่ดีมันมีน้อยแล้วพื้นที่เสี่ยงมีเยอะ นะพื้นที่ดีคือพื้นที่ที่ส่งเสริมให้คนทําดีเช่นโรงเรียนวัดอันนี้สมมุดนะโรงเรียนวัดท้องส ม, มุดพิพิธภัณฑ์สวนสาธรารณะเรียกพื้นที่ดีมีน้อยแต่พื้นที่เสี่ยงมีเยอะเช่นพบับบ้าคาราโอเกะโรงแรมมั่นรูดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะพวกนี้จะพื้นที่เสี่ยงเดีย๋ยวนี้มีเยอะมากนะเสี่ยงทั้งร่างกายและจิตใจหมายความว่า ออกจากบ้านตอนกลางคืนก็ต้องระวังเพราะไม่งั้นอาจจะประสบอันตรายถูกปล้นถูกจี้ถูกชำเรานะพื้นที่เสี่ยงทางจิตใจก็หมายว่ามันมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดมลพิษทางจิตใจจิตใ จ, จเป็นอกุศลเกิดโลคโกรธหลงนะอันนี้คือสภาพของเมืองไทยที่เราอ้างว่าเป็นเมืองพุทธแต่จริงๆแล้วพื้นที่บุญมันถูกกระชับหดหายไปเรื่อยๆกลายเป็นพื้นที่ทุนหรือกลายเป็นพื้นที่บาปไปก็เยอะ อันนี้ก็เขาก็เลยมันจาเป็นต้องช่วยกันนะขยายพื้นที่บุญให้กว้างขึ้นในะส่วนโมกกรุงเทพนี้ก็เป็นส่วนของการพยายามที่จะขยายพื้นที่บุญให้มันขยายกว้างนะแต่ถ้านั้นไม่พอนะเราก็ต้องช่วยกันชาวพุทธเร า, าต้องช่วยกันทำให้บุญนี่มันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทำอะไรก็ ให้ทุกสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นบุญเป็นบุญที่มีความหมายทั้งในแง่ของการทําให้จิตใจเ จ, จริญงอกงามแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเอืเ้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่างที่ทาจารยพุทธาบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นคือสงบภายในนะไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะสงบภายในเพราะว่าจิตใจไม่มีความโลภ ค, ความหลงความโกรธมีสติมีปัญญารักษาใจจิตเป็นอิสระ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะเป็นประโยชน์คือช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือส่วนรวมอาการทำบุญในพุทธศาสนานเนี่ยถ้าดูให้ดีก็เพื่อสองอย่างนี้แหละหรือว่ามีอนิสงส์องประการสงบเย็นและเป็นประโยชน์ <c oughs> ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องทำกับพระถ้าเรามองว่าการทาบุญทากับพระมันจะแคบเพราะว่านานๆจะเจอพระที และบางที่บางแห่งอาจจะไม่ได้เจอพระเลยเช่นคนไทยที่ไปเมืองนอกนะไม่ได้เจอพระก็เสียใจว่าไม่ได้ทำบุญแต่นี่เข้าใจผิดเพราะก็สามารถจะทำบุญได้ทุกที่ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับนะทำบุญได้ตลอดเวลาเนะพราะหลายพอบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายกว้างไม่ใช่มีแค่ทานแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ศีลแล้วก็ภาวนา ในส่วนใหญ่ก็นึกว่าบุญเนี่ยคือทานทำบุญก็คือการควักเงินให้ทานแต่ี่จริงการรักษาศีลก็เป็นบุญนะเพียงแค่เรารักษาศีลก็เป็นบุญแล้วไม่เบียดเบียนใครให้แล้วก็ภาวนาภาวนานี่ก็ภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ใช่ภาวนาเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระอยู่อยู่ในวัดนอกจากทานศีลภาวนาแล้วยังมีอีก7นะบุญนี่มี10บสประการ การที่เราทําการที่เรารักษาใจให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยนนอบน้อมอันนี้ก็เป็นบุญความนอบน้อมนี่ไม่ใช่ผู้น้อยทํากับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ควรจะนอบน้อมต่อต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันคนที่เป็นผู้นําที่เขาฉลาดที่เขาเป็นคนมีคนนับถือเนี่ยก็เป็นผู้ที่นอบน้อมนะสุภาพอ่อนโยน คือไม่ไม่อวดเด่งพูดง่ายๆเวลาจะเวลาจะไปโรงพยาบาลก็เข้าคิวเหมือนคนอื่นเขานะไม่มีการใช้เส้นเวลาจะไปซื้อตั๋วก็เข้าคิวนะอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่หรือว่าผู้ใหญ่นะนก็เรียก ว, ว่าอัปปัจจยณะใหม่คือบนที่เกิดจากความสุภาพอ่อนน้อม วัยวัตจำไม่ก็คือความการบริการช่วยเหลือผู้อื่นขนคว้ามในส่วนรวมไม่ได้หมายถึงหน้าที่ของวัยวัตจักรอย่างเดียวนะเรามาใช้กับวัยวัตจักรวายวัตจักรคือผู้ที่ทําการเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือวัดนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นวัดก็ได้นะชุมชนหมู่บ้านถ้าเราทําใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องน้ําดูแลเรื่องขยะ ช่วยการรักษาป่าปลูกป่าเยอะๆอันนี้เรียกวิวัตรจำใหม่ก็คือบุญที่เกิดจากการขนขวายเพื่อส่วนรวมปฏิทาาินำใหม่คือการแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เราทําเวลาเราเราทําบุญแล้วก็แผ่ไปให้ก็เป็นบุญนะเดีย๋ยวนี้มีความคิดแบบหนึ่งแผลงๆนะบอกว่าเราไม่ควรไปแผ่หรืออุทิศส่วนกุศลให้ใครหรือว่า อย่าทำบ่อยๆนะการแผ่ที่ส่วนกุศลให้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวบุญเราจะหมดนะมีความคิดแบบนี้แล้วนะนี่มันเห็นแก่ตัวมากเลยมันไม่ใช่เป็นวิสัยของชาวพุทธวิสัยของชาวก็คือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะบุญเนี่ยยิ่งเราแผ่ไปให้เนี่ยยิ่งมันยิ่งได้ไม่ใช่ว่าจะหมดคนที่คิดแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชาวพุทธคนที่คิดว่าถ้าแผ่ไปให้คนอื่นแล้วมันจะหมด นะจริงตรงกันข้ามนะยิ่งแผลยิ่งเพิ่มนะนี่เรียกว่าปฏิทานนำใหม่บุญที่เกิดจากการแผ่หรืออุทิศส่วนกุศลไปให้ปัตานุมโมทนาำใหม่ก็คือความยินดีในความดีที่ผู้อื่นทำนะเช่นนี้คนเขาถวาย สังฆทานเราไม่มีเงินแต่เราอนุโมทนาด้วยได้บุญนะไม่ต้องใช้เงินสักบาทในสมัยพุทธกาลนี่มีคนจนนะที่เขาไม่มีเงินนะแต่ว่าเห็นหนางวิสาขาทําบุญเขาคุรรวมอนุโมทนาด้วยบอกว่าได้บุญนะตายแล้วได้ไปสวรรค์ลเลยนะนี่เราปฏิบัติอนุโมทนาหมาหรือว่ารวมไปถึงว่าใครทําดีเราก็ชื่นชมไม่อิจฉาเขา ไม่คอมเมนต์เขาว่าเขาอยากเด่นอยากดังเดี๋ยวนี้ใครทำดีก็ไม่กลัวก็กลัวกลัวจะเด่นเพราะว่าทำดีถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยนะเพราะคนไทยเราไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีปัตตานุโมทนาใหม่เราทำได้นะใครทำดีเรานุโมทนาด้วยใครปฏิบัติธรรมมากกว่าเราใครก็ตื่นเช้ามากกว่าเราไม่ฉาสนะเราชื่นชมยินดีด้วยใครเขาเดินจงกรม เก่งกับเราบางทีไม่ยอมนอนอ้าวชื่นชมยินดีไม่ได้คิดว่าเขาอิจฉาไม่ได้ไม่ได้อิจฉาเขาเราทำได้ไหมมันต้องสู้กับอัตตานะเพราะอัตตานี่มันไม่ใหญ่ใครเด่นเกินตัวมันก็จะคอยคอมเมนต์อิจฉาแต่ถ้าใครทำดีเราอนุมโมทนาอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญละปตานุมโมทนาใหม่การฟังธรรม ทำมัศวะน้ำใหม่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นมนต์เป็นเป็นเป็นบุญอันยิ่งเป็นมงคลอันยิ่งนะในมงคลเรส่วนี้การการฟังธรรมเป็นมงคลอันยิ่งอุดมมงคลการแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันก็เป็นบุญเหมือนกันนะแสดงธรรมนี่ไม่ได้ว่าไม่ชอต้องเป็นพระอย่างเดียวนะเป็นโยมก็แสดงธรรมได้แสดงธรรมให้ลูกฟังหรือว่าพูดสิ่งดีๆให้ ให้คนในบ้านให้สามีให้ลูกให้หลานฟังนี่ก็แสดงธรรมเรียกว่าเป็นนะธรรมเทศนาใหม่ทิฏฐุชุ ก, กรรมอันสุดท้ายข้อที่10คือการทําความเห็นให้ตรงให้ตรงต่อและให้ตรงต่อความดีให้ตรงต่อความจริงนะให้เป็นกุศลเราโกรธใครเขาว่าเราแทนที่เราจะโกรธเราก็พิจารณาว่าเออที่เขาพูดมาจริงไหมถูกไหม มีประโยชน์ไหมอันนี้เรียกว่าทําความเห็นให้ตรงพระพุทธเจา้าตรัสว่าผู้ที่ตําหนิวิจารณเราคือผู้ชี้คุมทรัพย์นะใครที่ทําความเห็นให้ตรงแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ทุกข์ของหายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจก็มองว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปได้นานนี่เขากําลังแสดงทําให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยง อนนี้เรียกการทําความเป็นให้ตรงงั้าเราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะทําบุญได้การการทำบุญก็กลายเป็นเป็นเรื่องที่ทําได้ตลอดเวลานะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยมันต้องไม่ใช่ทํากันต่างคนต่างทางต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือกันนะโดยเพราะร่วมมือกันเป็นจิตอาสา เป็นจิตอาสาเนี่ยสำคัญมากนะส่วนให ญ, ญ่คนไทยเราก็มีน้ําใจนะแต่เราจะมีน้ําใจเมื่อเห็นคนทุกข์อยู่ต่อหน้าแต่ไม่ค่อยเข้าไปหาเขาเท่าไหร่ถ้าบังเอิญเจอคนทุกข์เจอคนลําบากเราถึงค่อยช่วยแต่จิตอาสานี่ยหมายถึงว่าการเข้าไปจัดการเข้าไปช่วยเข้าไปหาเขาไม่ใช่ร้อยเขามาหาเราหรือไม่ใช่เจอโดยบังเอิญนะนะจิตอาสาเนี่ยเป็นเป็นวิธีการทําบุญเชิงรุก นะต้องร่วมมือกันทํากันเป็นกลุ่มทํากันเป็นคณะอย่างไต้หวันที่เขามีมูนิธีเฉือจีนี่มีสมาชิกต้องสี่หล้านคนอาสาสมัครเขาสองแสนคนนะเขาทาหลายอย่างทั้งประสบช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครลงงานแยกขยะมีต้อง 5,000 ันแห่งเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มีชื่อมากนะติดอันดับโลก ทั้งในเรื่องของวิชาการและในเรื่องของน้ำใจจริยธรรมนะหมอเมืองไทยไปฉืจ่จี้ไปลงวยาาลฉือจี้นี่ไปกันมาห6ปีแล้วยังไม่เลิกไปเลยเพราะว่าเป็นที่นิยมประทับใจกันมากไปแล้วก็ชวนกันไปต่อๆกันประทับใจนะโรงเรียนมหาวิทยาลัยของเขาก็มีชื่อเสียงนะอันนี้เขาทำทาบุญแบบเชิงรุป แล้วก็ทําบุญเนี่ยแล้วเขตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยก็จะไม่อธิษฐานว่าขอให้ฉันรวยขอให้ฉันไายป่วยเขาจะอธิษฐาน3อย่างหนึ่งขอให้จิตใจฉันบริสุทธิ์ก็คือไม่โลบโกดหลง2ขอให้สังคมมีสันติสุขและสขอให้โลกพ้นจากภัยพิบัติมีแต่เรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยหรือถ้าเป็นเรื่องตัวเองก็เป็นเรื่องที่เป็นกุศลคือขอให้จิตใจบริสุทธิ์ นะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปิดเปิดกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากรวยอยากมีอยากอยา ก, ยากเด่นอยากดังหรือว่าอยากยิ่งใหญ่อนะคนไทยเราทําบุญเนี่ยมันไม่เหมือนมัไม่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําบุญเพื่อหวังประโยชน์เข้าตัวนะหวังให้ร่ํารวยมั่งมีหวังให้ได้มีเงินเดือนมีคู่ครองมากๆนะ ข, ขอให้ไม่พบกับคําว่าไม่มีนะ อันนี้ก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดเราดีที่สุดคือการนึกถึงคนอื่นนะเพราะว่ามันจะมันจะเจอได้กิเลสน้อยมันจะเป็นจิต ท, ที่เป็นกุศลเมืองไทยเราถ้าเรามีจิตอาสาแบบนี้นี่จะเรียกว่าเป็นการทำบุญที่เมีย น, นิสงและทำให้ให้ความเห็นแก่ตัวของผู้คนมาลดลงเห็นคนที่ทำเห็นคนนั้นทำเออมันก็ทำให้คนก็อยากทาความดีคนเราเวลาเห็นคนอื่นทาความดีก็อยากทาบ้าง หรืว่าทำดีแล้วเนี่ยถ้าทำก็เป็นกลุ่มก็มีความสุขที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีตแต่สมัยโบราณแล้วในพระไตรปิฎกมีเรื่องของนักทรรมบุญคนหนึ่งชื่อมาคะมานพมาคามานพนี่แกเป็นคนขยนันชาวบ้านเขารวมกันทำทาความสะอาดกลางหมู่บ้านแกก็ไปช่วยช่วยเสร็จก็นั่งพัก พอนั่งพักแล้วเห็นพื้นที่ที่ตัวเองนั่งอยู่รอบๆมันสกปรกก็ช่วยปัดช่วยกวาดทำความสะอาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็เลยไปปัดกวาดที่อื่นตอ่อคนอื่นเห็นว่าที่ตรงนี้สะอาดดีก็เลยมานั่งมคขามานกก็ว่าไม่เป็นไรนั่นฉันก็ไปทำที่อื่นตอ่อทำที่อื่นต่อเสร็จแล้วก็นั่งพักนั่งพักเสร็จแล้วก็ขยะบออกไปที่อื่นคนอื่นก็มานั่งแทนมค า, ามานนกก็ไม่โกรธนะ ขายเข้ามานั่งที่ตัวเองที่ทําความสะอาดก็ไม่เป็นไรฉันก็ทําไปที่อื่นเรื่อยๆไปตอนหลังก็ได้ความคิดว่าโออมันน่าจะทําทต้องหลายอย่างในะในหมู่บ้านเราก็เลยเริ่มทําเลยนะทำความสะอาดในหมู่บ้านนะปัดกวาดไม่ใช่แค่ปัดกวาดอย่างเดียวพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านสร้างศาลาตรงสี่แยกแล้วก็ขุดบ่อน้ําสร้างสะพานทําคนเดียวนะทาจนดึก กลับบ้านทกลับบ้านคนก็ถามว่าไปไหนมามาคามรมนบบอกไปทำบุญไปทำบุญนะไม่ได้ใช้เงินเลยนะใช้แต่แรงตอนหลังก็มีคนมาร่วมเยอะเป็นสิบสามคนสิบสามนักทำบุญก็ทำบุญใหญ่เลยในนี้นะช่วยกันพัฒนาบู่บ้านนะขุดบ่อนา้ำสร้างสะพานสร้างศาลานะ ก็มีคนคอมเมนต์นนะผู้ใหญ่บ้านคอมเมนต์เพราะเห็นว่าทําเกินหน้าเกินตานะไปแจ้งไปบอกพระราชาว่าเนี่ยพวกนี้คิดคบกบฏพระพราชาส่งคนมาแต่พบว่าโอ้มาฆบมนุษย์เขาทาดีนะทีแรกเห็นว่าเขาประชุมกันนึกว่าซ่องสมสมคบคิดกันจกกะกบฏแต่ไปอ่านดูไปเอาเข้ามาสมคบเขาประชุมกันทําความดีก็เลยสนับสนุนพระราชาสาบส่วนให้มาฆมนุษย์ทําความดีเป็นการใหญ่ พอตายไปแล้วเนี่ยมขามนกก็ได้ไปเป็นพระอินทร์เป็นเรียกว่าเทา้ามขวานเรารู้จักคําว่ามขวานนะสะพานมควานที่เื่อเหลืองเขาไปชุมนุมกันเนี่ยเมื่อสองปีก่อนนี่แหละคือสะพานของพระอินทร์มขวานนะมขามนกทำบุญจนได้เป็นพระอินทร์นะไม่ได้ถวายไม่ได้ไม่ได้ถวายสังฆทา น, นอะไรเลยนะก็ทําความดีคือทําช่วยเหลือส่วนรวม อันนี้เราเป็นจิตอาสาสมัยที่เราจิตอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยนี่คือการทําบุญที่ถูกลืมไปเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องการถวายสังฆทานกรถินพระป่าแต่ีใจริงการทําบุญของไทยเราของชาวพุทธเรากว้างขวางกว่า น, นั้นที่เราทํากันมากๆนี่นก็จะเป็นการขยายพื้นที่บุญแล้วก็จะต่อไปก็จะกลายเป็นการกระชับพื้นที่ทุนให้พื้นที่ทุนให้มันเล็กลง กระชับพื้นที่ทุนให้มันเล็กลงเล็กล ง, เ ล, กลงเล็กลงไปเรื่อยๆขยายพื้นที่บุญให้กว้างขึ้นบ้านเมืองก็จะมีความสุขผู้คนก็จะสงบเย็นนะอาแล้วก็ป่าวรบถังมารท่านี้กราบพะ